น้องสาวเล็กของตระกูลมองดูพี่ชายทั้งสองที่จ้องอยู่ก่อนแล้วฝืนยิ้มให้น่าเข้าใจแล้วล่ะทำไมพี่กลางกับคุณน้ำพลถึงต้องใช้ภาษาเขียนซักถามข้อความกันและทำไมพี่ใหญ่ถึงจะต้องดึงรูปผู้หญิงสองคนนี่ออกด้วยคงจะมึกคงจะนึกมังคะว่าท่านน้อยเห็นคงจะต้องเต้นเป็นงิ้วเพราะทั้งสองคนนี่รูปร่างหน้าตาขนาดทรงประกวดมิสยูนิเวอร์ส หรือมิสวิลได้สบายหล่อนสั่นสีสั่แช่มช้าเน้นเสียงหนักแน่นขอยืนยันนะคะ้มยไม่ได้วันไหวเลยระพินก็คือระพินและเขาจะเป็นของใครอื่นไปไม่ได้เป็นดัเป็นอันขาดนอกจากของน้อยเท่านั้นไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือหาชีวิตไม่แล้ว นม่ไม่เคยหวั่นไหวในเรื่องนี้แม้เท่าคิดผงน้อยเชื่อใจเขาบูชาในความมีหัวใจอันสัตย์ซื่อมั่นคงของเขาแต่ที่น้อยวิตกเป็นทุกข์ในขณะนี้ก็คือเขาจะเป็นตายไร้ดียังไงจะได้กลับมาให้น้อยเห็นอีกหรือไม่เท่านั้นพรางหลอนก็โยนรูปทั้งสองลง บ, บนโต๊ะร้องว่าช่ไม่แค่สักนิด บอ่ายาดฟ้ามาดินสักขนาดไหนไม่มีใครรู้จักระพินดีไปกว่าน้อยหรอกคะ่ะและทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้โดยเฉพาะพี่ใหญ่และพี่กลางก็ไม่รู้จักจิตใจแท้จริงของน้อยด้วยอุตสาเอารูปผู้หญิงอเมริการสองคนนี่ไปซ่อนซะกลัวน้อยจะหึงกลัวน้อยจะชักบินชักงอไปงั้นเหรอเฮ้ยไม่มีวันซะหรอกอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ามอมราชวงศ์หญิงดารินวาราฤทธ ชา ย, ยันตบเขาตัวเองดังฉาดเชษฐถากับอนุชาหน้าเจือนแต่ก็ยิ้นออกมาได้อย่างภาคภูมิและพอใจน้องสาวของพี่ต้องเป็นอย่างนี้สิขอโทษ ด, ด้วยนะถ้าพี่กะกลางอาจทำอะไรไม่สมควรไปบ้างเพราะเป็นเพราะความรักและเป็นห่วงน้อยจริงสินะพวกเราผู้ชายสี่คนที่อยู่ในห้องช่างโงกเขากันเหลือเกิน พี่ชายใหญ่สารภาพพี่ขอรับรองให้คนว่ผู้หญิงในโลกนี้สำหรับรบพินแล้วไม่มีใครสวยและเพียบพร้อมไปด้วยความดีงามเท่ากันน้อยหรอกแล้วเขาก็เป็นสุภาพบุรุษที่ยิงในเกียรติศักดิ์ชายชาตรีของเขาอย่างที่สุดน้อยเข้าใจเขาได้อย่างนั้นก็ดีแล้วพี่สองคนก็ปลอยสบายใจไปด้วยด้วยเกียรติยศของผมอีกคนหนึ่งครับ ถ้าหากว่าผมพอจะยังมีเกียรติในด้านวาจาสัตว์เหลืออยู่บ้างผมขอรับรองกับคุณหญิงครับว่าต่อให้สาวอเมริกันคู่นั้นจะสวยหาดเยิมมีสเสน่ห์สักขนาดไหนคุณพินค์แกไม่สนใจเลยสักนิดหนะึ่งออกจ ะ, ขะเมขะเมน็ขเมนเขม่นเกลียดขี้หน้าเอาซะด้วยซ้ำนายอัมพลพูดมาอย่างปลอบใจอีกคนดารินบาราฤทธ์ลุกขึ้นยืนอีกครั้งยืดกายตรง ขอบใจขอบใจคุณน้ำพลนะที่อุตส่าห์ให้กำลังใจกับฉันแต่วิธีพูดของคุณมันไม่ช่วยอะไรให้ฉันไม่ช่วยอะไรฉันขึ้นมาได้หรอกถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของฉันเองที่มีต่อเขาไอ้การคอมเมนต์คมเนด์ดุเกรดที่หน้าที่เขาแสดงต่อผู้หญิงคนไหนก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาตัดสินกันได้หรอกเพราะฉันเองก็เหมือนกัน พบกันครั้งแรกเขาก็เขม็นกลียดที่หน้าฉันขนาดไหนทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอามาพูดกับฉันไม่ได้ความเชื่อมั่นของฉันน่ะมันมาจากความหยั่งซึ้งในจิตใจของกันและกันต่างหากที่เป็นหลักใหญ่และฉันก็รู้อุปนิสัยใจคอรู้สนิยมและอุดมคติของเขาจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเขาไปจากฉันได้ และฉันก็ไม่แคร์ด้วยว่ารพินอาจจะเผอตัวมีอะไรกระแมมสองคนนี่บ้างตลางตากลางเขาตามหลักของชีววิทยาและธรรมชาติของเพศแต่แกนแท้จริงใจและเขายอมเป็นของฉันอยู่วันยังคำ่ำชนิดที่ไม่มีอะไรจะมาพลากไปได้นอกจากเขาจะตายไปแล้วท่านนั้นคุณน้ำพลครับผมคุณหญิง คนที่มีผมสีทองตาสีฟ้านิสัยเป็นไงก็ค่อนข้างขรึมครับไว้ตัวแล้วก็ยะโสนิดๆลักษณะของหล่อนนะ่ะเหมือนภูเขาไฟที่มีผิวนอกคลุมด้วยหิมะนี่ผมเรียนตามตรงนะครับไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วแม่ผมแดงที่เป็นหมอนะ่ะโอ้ยคนนั้นนะขี้เล่นมากครับเจ้าชู้ด้วยครับอเมริกันไปทั้งตัวเข้ากับคนง่าย friendly, เฟรนลี่เปิดเผยครับ เป็นหมอจริงๆหรือเปล่ารั่วปลอมโกโหกฐานะมัเข้าใจว่าเป็นจริงนะครับเพราะมีเครื่องเวชพันธ์ไปครบแม้กระทั่งเป็นเครื่องมือผ่าตัดและถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปถ้าหมอเก๊ก็คงไม่มีอุปกรณ์ในทางแพทย์ไปด้วยถึงขนาดนั้นหรอกการสอบซักไล่เรียงต่อไปนี้เป็นของดารินตลอดภายหลังจากนิ่งซึมทาอะไรไม่ถูกมานานเชดา อนุชาและชยันได้แต่นั่งฟังเท่านั้นเอาละ่ะอย่างน้อยฉันก็โล่งอกไปเปล่าเนะื้ขอให้แม่เบนเป็นหมอจริงๆเฮ้ยแล้วก็ขอให้มีจรญญาแพทย์อย่างแท้จริงประกอบด้วยความปราณีเป็นที่ตั้งด้วยเพราะราพินของฉันนะมีโรคประจําตัวที่จะต้องพึ่งหมอในบางโอกาสเรื่องนี้คุณหญิงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะถ้าหมอเบนไม่รักษาคุณรพิน ซึ่งเป็นมรุเทศสำคัญในการนำทางพวกเขาก็จะพินาศกันทั้งหมดละครับคุณพิ่นเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งแค่คนเดียวเท่านั้นและครับพวกนั้นแย่ก็ยกเว้นสตะตาว่าถ้ารัพินนำไปพบระเบิดลูกนั้นเมื่อไร่และกู้สำเร็จเมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมรอนถามมาโดยเร็วเริ่มออกเดินวนช้าๆไปรอบห้อง ไม่มีใครกล้าตอบคำถามหรือพูดกระหล่อนอย่างไรในข้อนี้และนายสตาลีหัวหน้าคณะละ่ะเป็นคนไงดารินเริ่มยิงคำถามเป็นจังหวะโดยทั่วทั่วไปก็ดูจะเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ดีครับมนุษย์เสียสัมพันธ์ดีจิตวิทยาสูงครับเออและนายคิดน่ะละ่ละไอ้อเจ้านันนะ่ะนักเลงโตโอหังมากครับ ผมไม่ห่วงเลยครับถ้าเดินป่ากับคุณรพินแบบนี้แล้วก็ยังเก่งก็อวดเบ่งไปได้ไม่เกินสองวันต่อจากนั้นก็กลายเป็นลูกแมวทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนี่ว่าในอาณาจักรใครนะใครจะไปอวดเก่งกับคุณรพินก็ได้ท่านนายปาคอนกรีตนั่นก็อีกเรื่องนึงแล้วลูกชายท่านนายพลที่ไปด้วยเป็นไงมัง่งคุณนําพลโอ้ยรายนี้สบายมากครับ เป็นคนหนุ่มใจถึงไวพริบดีเป็นฝ่ายคุณราพินแน่นอนครับถึงแม้ว่าดูผาดผ่าดจะเป็นกลุ่มของอเมริกันพวกนั้นสรุปว่าอเมริกันทั้งสี่คนเนี่ยมีหน้าฉากเป็นนักวิชาการแขนงต่างๆนั่นนะ่ะเบื้องหลังเป็นอะไรแนะ่สายลับ cia บ่ะก็ไม่มีปัญหาให้คิดอะไรอีกแล้วครับสปายตัว ย, ยอดๆทั้งนั้น แล้วก็ขีดความสามารถก็คือหน่วยคอมมานโดเราดีๆเน่แหละครับแล้วอุปกรณ์ที่เอาติดตัวไปมีอะไรบ้างพอจะสืบรู้ไหมยังอื่นก็ช่างฮะฉันหมายถึงอาวุธยุทพันธ์และเครื่องมือทางจารกรรมทุกคนใช้เอ็มสิบหกแบบพับฐานครับเครื่องกระสุนเหลือเฟือดูเหมือนจะมีระเบิดคว้างแบบสังหารและแบบทำลายที่มั่นไปด้วยครับ วิทยุใหญ่สำหรับติดต่อกสู์บัญชาการวิทยุมือถือขนาดเล็กที่จะติดต่อกันเองนอกจากนั้นก็มียุทธภัณฑ์อะไรอีกนี่ผมไม่ทราบครับเพราะปิดเป็นความลับเราไม่มีสิทธิ์ตรวจเช็คดูทั้งหมดทุกอย่างสัมภาระทั้งหมดนะลูกหาบห้าคู่สิบคนแบกกันหลังแอ๋ครับแต่ละคนของพวกนั้นแสดงถึงการที่ว่าเคยผ่านงานะจญภัยหนักๆ และเดินป่ากันมาชำนาญดีแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มือใหม่ครับดูจะเข้าใจอะไรต่ออะไรกันดีพอสมควรในเรื่องการรอนแรมในป่าครับดารินหยุดชะ ง, งักหันกลับมาประเชิญทุกคนอีกครั้งและทางด้านกัะพินน่ะรวมทั้งคนของเขาด้วยคุณกัะพินกับพวกนั้นก็มีอุปกรณ์เหมือนอย่างมักคุเทศธรรมดานั่แหละครับ ตัวแกเองก็ใช้จุดสี่ห้าแปดวินของคุณชายเชษดถาที่ให้ไว้ลูกน้องสี่คนก็ใช้จุดสามเจ็ดห้านะครับส่วนลูกหาบก็ใช้ลูกซองเดี่ยวบ้างแฝดบ้างสุดแต่ใครจะมีจะหาได้นะครับทุกคนคิดอย่างน้อยไหมคะเนี่ยหม่อมราชวงศ์สาวหันไปทางพี่ชายและเพื่อนที่ฟังนิ่งกันอยู่แล้วน้อยคิดไง เชฐถาอนุชาและชยันถามย้อนมาเรากันนับกันไว้เมื่อคิดว่าระพินอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วค่ะเขาและพวกเขาเป็นมัคุเทศนำทางอาวุธที่ใช้เป็นเพียงอาวุธป้องกันตัวจากศัตร์แต่ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดใช้อาวุธสงครามพวกนั้นสอเจตนาชัดว่าพร้อมเสมอที่จะฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้ ทำไพวกนั้นถึงไม่ได้ใช้ไรเฟินล่าสัตว์อย่างระพินล่ะเขาคิดจะไปสู้รบกับใครในป่าลึกชนิดหลวงสำรวจงั้นเหระถึงได้ถือเอ็สิบหกแล้วก็มีระเบิดมือไปด้วยใช่นั่นเป็นการส่อเจตนาชัดเชียวชัยยันว่าน้ำเสียงเครียดกร้าวแต่ในป่าลึกแล้วระพินกับลูกน้องของเขาจะไม่มวันเสียเปรียบใครหรอก รั้พินก็ไม่ใช่คนโง่นะเชื่อแน่ว่ารู้ทันและคงจะต้องระวังในเรื่องนี้ทุกฝีก้าวอเมริกันเพียงสี่คนต่อให้เป็นพวกคอมมานโดมือแน่สักขนาดไหนมีอาวุธดียังไงลงเข้าป่าไปกับรพินแล้วไอ้ผู้ที่จะเป็นลูกไก่ในกํามือนะคือพวกนั้นไม่ใช่พวกของรพินพอหลอกล่อซะหน่อยเดียวเท่านั้นแหละจะเอาให้หล่นเหวหรืออดน้ำตายซึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ สิ่งที่จะต้องห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกำมันประภาพรังสีที่รั่วออกมาถ้าคนพบตำแหน่งตกระเบิดลูกนั้นกับกองกําลังทางอากาศที่จะมากู้ระเบิดแล้วอีกอย่างหนึง่งการเดินป่าไปในดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับอย่างที่เราเคยผ่านกันมาแล้วโอกาสที่จะได้กลับมานะมันมีอยู่แค่จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนต์ท่านั้นผู้คนตรงตรงก็คือ คณะนี้อาจจะเป็นคณะที่หายสาบสูญไปทั้งชุดโดยไม่มีใครโผล่กลับมาอีกเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันลงความเห็นล่ะตัดสินใจกันซะเดี๋ยวนี้เลยว่าพวกเราจะดาเนินกันยังไงอ่นี่น้อยอย่ามวัวแต่เดินผ่านอยู่อย่างนั้นสิมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกนะนี่น น, น, นีกลับมานั่งช่วยกันคิดพร้อมๆกันดีกว่า มันมีหนทางเลือกอยู่แค่สองทางเท่านั้นน่ะคือหนึ่งทำอย่างคนขาดได้เห็นแั่ตัวที่สุดก็คือรอฟังข่าวการกลับคืนมาของเขาพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาช่วยหรือสองรววมชะตากรรมเดียวกับเขาเป็นไหนเป็นกันออกตามเชิดทธธาวราริพูดด้วยเสียงห้าวลึกของเขา มอมราชวงศ์สาวคนสวยยืนกอดอกนิ่งหันหลังให้แกทุกคนอีกครั้งโดยไม่ได้กลับมาร่วมวงด้วยพูดมาเบาๆอย่างขมขื่นว่าพี่ใหญ่พี่กลางชายันและคุณอำพลจะหารือหรือตัดสินใจกันยังไงก็เชิญทุกันสำหรับน้อยนะขอตัวที่จะไม่ร่วมอะไรด้วยทั้งสิน้นไม่อยู่ในฐานะที่จะร่วมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอตัวนะคะน้อยปวดศีรษะว่าแล้วหล่อนก็ออกเดินทำท่าจะขึ้นบันไดไปแต่ชายันพวดพลาดลุกขึ้นปราบไปสกัดหน้าไว้จูงมือเชิงบังคับให้มาอย่างโซฟายาวตัวหนึ่งริมห้องนี่น้อยเ้ายังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะถ้าไม่สบายก็นอนพักตรงนี้แหละเอาล่ะจะนอนนิ่งๆอยู่ตรงนี้ก็ได้ ดมแอมโมเนียนี่ไปฟางๆเพื่อนชายผู้รักสนิทเสมือนญาติส่งสำลีชุบแอมโมเนียให้แต่ดารินปัดมือเฉไปทอดกายลงนอนบนโซฟามือทั้งสองประสานกันอยู่บนรวงอกหลับตานิ่งลงเหมือนจะสงบสติอารมณ์เชยถามยักหน้าให้ชายันกลับมาร่วมโต้ด้วยอดีตนตายทหารปืนใหญ่สหายร่วมตายจึงเดินกลับมาตามเดิม สุดตัวลงนั่งเอามือชี้ไปยังรูปของคริสติน่าและอิสเบร์ที่ดารินโยนไว้บนโต๊ะเหมือนจะไม่แยะะ่ใสแล้วบุยปากไปทางดารินกระซิบเบาที่สุดว่าคิดมากแต่ปากแข็งจะฮิตตายเถอะฉันสงสารน้อยเหลือเกินนะเชิด ท, ท้าเอามือโบอกเชิงให้ชา ย, ยันหุบปากในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องซะ แล้วเอ่ยขึ้นกับทุกคนที่ร่วมวงกันอยู่ว่าว่ากันถึงเราสามคนนี้เอาไงประธานโทษนะครับถ้าไม่รังเกียจนายอัพลพูดขึ้นอย่างหนักแน่นจริงจังกรุณาขอให้ผมได้มีส่วนร่วมออกความเห็นในที่ประชุมสักคนนะครับเรานั่งกันอยู่สี่คนนะครับไม่ใช่สามคน อนุชาเอื้อมมือมาตบไหล่ของบุรุษวัยสูงอายุอันเป็นที่มาของกระแสข่าวเอาเอาตกลงคุณน้ำพลเรารับคุณเข้าในที่ประชุมด้วยผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศยิ้มออกมาได้อย่างมีกำลังใจกระปรีก้กระเป่าขึ้นขอบพระคุณครับที่กรุณาให้เกียรติผมขอทุกท่านโปรดทราบไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ ในกรณีที่เกี่ยวกับคุณระพินในครั้งนี้เอาไงเอากันครับผมเอาด้วยคนถึงแม้จะเลือกแลกกันด้วยชีวิตก็ตามครับสําหรับคุณนะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคุณน้าพลเพียงแต่ให้การประสานงานร่วมมือก็นับว่าคุณนะช่วยเราอย่างมากแล้วล่ะคุณชายใหญ่พูดและพยักหน้าไปทางน้องชายอ่ะนายชดประชากร ฉันให้โอกาสนายพูดหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอันดับแรกนั้นผมก็ขอพูดสั้นๆตอนนั้นะครับเปีย่ผมอยากจะพูดว่าถ้าไม่มีระพินทร์ไทยวันสักคนเดียวในชนประชาก ร, กรก็คงหายสาบสูญไปจากโลกนี้และคงไม่มีอนุชาวราริศกลับคืนมาสู่พี่น้องวงตระกูลและให้โลกภายนอกได้เห็นอีกแล้วครับ กล่าวจบอนุชาก็เอาแก้วแบรนดีที่ถือแกว่งแรงๆอยู่ในมือสาดเข้าปากเชตาชี้ไปที่ชัยยันอ่ะแกชัยยันชีวิตฉันอะตายไปแล้วหลายครั้งในป่าแล้วก็เกิดใหม่หลายครั้งในป่ากเหมือนกันโดยระพินเป็นคนช่วยให้เกิดจนกระทั่งได้เมียแล้วก็ได้ลูกชายที่น่ารักอดีตนตายทหารปีนปืนใหญ่ เมียแมมผู้เพิ่งจะได้ลูกชายชื่อระพินเมื่อบ่ายนี่เองพูดสั้นดีเหมนกันเชิดถาพยักหน้าหันไปมองดูนายอำมพลสำหรับผมผมรักระพินเสมอด้วยญาติสนิทคนหนึ่งใจผมแลกอะไรก็ได้ครับขอเพียงให้แกได้กลับคืนมาเร็วที่สุดเท่านั้นล่ะครับส่วนผมไม่ต้องพูดอะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วตลอดระยะเวลาที่เราร่วมเดินทางด้วยกันในคราวนั้นเอาละผลสรุปออกมาแล้วว่าเขาระพินไทรวันคนนั้นมีค่าสำหรับเราทุกคนมากที่สุดคราวนี้ก็ขอผลตัดสินบอกให้ีผมเพียงคนเดียวปืนกระบอกเดียวผมก็จะตามเขาครับพี่ใหญ่ อนุชาพูดหนักๆในลำคอสำหรับฉันต่อให้ลูกเพิ่งคลอดเมียยังนอนอยู่บนเตียงฉันก็ตัดสินใจว่าตามเหมือนกันเป็นไรเป็นกันวะชายันยืนยันมาอย่างไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้นคราวนี้ผมขออนุญาตพูดบ้างนะครับนายอังพลยกมือขึ้นผมแม้จะมีอายุมาก เกิดมาก็ไม่เคยกลากกรรมอะไรนะแต่ถ้าท่านไม่รังเกียจผมขอติดตามไปด้วยครับก็เป็นอันว่าผลสรุปสุดท้ายออกมาแล้วนะว่าเราต้องตามเทธาอันเปรียบเสมือนประธานของที่ประชุมเน้นเสียงมองกลาดไปยังทุกคนอนุชา ย, ยักไหล ไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรให้มันเสียเวลาผลมันก็แน่ชัดอยู่แล้วนี่พี่ชายใหญ่ของตระกูลลุกขึ้นทันทีนั้นเดินช้าๆตรงไปที่น้องสาวเล็กที่ยังนอนหลับตานิ่งอยู่นั่งลงใกล้กๆเอื้อมมือไปจับมือทั้งสองที่ประสานเหมือนจะพนมกันอยู่บนสวงอกด้วยอาการสัมผัสอันอ่อนโยนปราณี น้อยความเห็นของเราทุกคนออกมาแล้วนะตกลงใจตามกันทั้งนั้นและความเห็นของน้อยละ่ะทั้งทั้งที่ยังหลับตาอยู่ดารินตอบเสียงเบาที่สุดน้อยไม่มีความเห็นกันฟังนี่นะน้อยพวกเราสี่คนที่นั่งประชุมกันอยู่นี่ ไม่ลงความเห็นเช่นนี้ไม่ได้กระทำออกมาเพราะเสแสร้งเพื่อที่จะเอาใจน้อยแล้วก็ขอให้รู้ด้วยว่าการที่เราตัดสินใจตามรบพินไม่ใช่ตามเพราะเขาเป็นคนที่น้อยรักและห่วงถึงแต่เราตามเพราะเขาเป็นเพื่อนตายของเราตามเพราะสำนึกในบุญคุณในข้อที่ว่าชีวิตของพวกเราทุกคนที่รอดมาได้ก็เพราะเขา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 เพื่อติดตามช่วยเหลือเขาความหวังน่ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราต้องการและต้องทำในขณะนี้มีอยู่ประตูเดียวเท่านั้นแหละคือตามดวงตาทั้งคู่นั้นค่อยๆลืมพร้อมด้วยประกายที่แจ่มใสขึ้นฝุนยิ้ ม, มถ้าน้อยไม่ไปด้วยจะได้ไหมคะได้ นั่นก็ยิ่งดีใหญ่ไอยเป็นหน้าที่ของพวกพี่พี่และเพื่อนดีกว่าพี่ก็คิดเหมือนกันว่าน้อยคนจะอยู่ดูแลทรัพย์สมบัติถ้าหากพี่และกลางไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเมื่อ น, นั้นเองดารินวราริ์จึงดึงกายขึ้นนั่งอย่างแข็งแรงในจับพลันนี่ทุกคนพูดด้วยความจริงใจหรือเปล่าันเนี่ยราชสกุลสาวประกาศดังๆ ทำไมต้องถามดูเองก็รู้นี่แม้กระทั่งคุณน้ำพลที่นั่งหน้าแป้นอยู่นี่ขนาดคุณน้ำพลยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตามด้วยแล้วสามาหะอะไรกับฉันกลางวิเชษฐาชายันกระชากเสียงมาห้วนหวนดารินน้ำตาคลอยครั้งหล่อนไม่พูดอะไรอีกทั้งสิน้นพนมมือกราบที่อกพี่ชายใหญ่เดินช้ า, ชา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 เมื่อนั้นดารินวราฤทธิ์จึงย่อนกายลงบนเก้าอี้ร่วมวงด้วยเทถาเดินกลับเข้ามาประจำที่เดิมราชาสกุลสาวเริ่มรินบรนดีให้ตนเองหล่อนดื่มรวดเดียวครึ่งแก้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังมีความรู้สึกว่ารพินไพรวันเป็นเพื่อนตายที่มีค่าที่สุดตกลงค่ะน้อยไปด้วย ไปตามเพื่อนตายผู้ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดและเคยมีบุญคุณต่อชีวิตของเราที่สุดไม่ใช่ไปตามผู้ชายคนที่น้อยรักคู่รักน่าจะเลิกรักกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เพื่อนตายน้นไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งกันได้สำหรับการวางแผนขอเป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่นะคะก่อนการวางแผนอะไรทั้งสิ่งฉันขอสิท ในการเสนอแนะในที่ประชุมห้าคนของเราหน่อยได้ไหมมันเป็นขั้นต้นทีเดียวก่อนจะเต้าไปถึงขั้นอื่นพี่ชายใหญ่ของตระกูลกล่าวกับทุกคนที่ฟังอยู่อะว่ามาชายันพยักหน้าฟังให้รอบคอบนะแล้วก็อยากเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจะพูดนี่จะวางราักฐานอยู่บนเหตุผล ในบรรดาพวกเราห้าคนที่ร่วมประชุมลงความเห็นกันแล้วว่าจะออกตามระพินและทุกคนก็พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตร่วมกันฉันขออนุญาตคัดออกสองคนชายันขมวดคิ้วชักหน้าเสียอะไรกันวะนี่หมายความว่าไงสองคนที่แกจะคัดออกคือใครอย่างไม่อ้อมค้อม เชื่อถาชี้ไปที่นายอัมพลคนที่หนึ่งและชัยันคนที่สองเฮ้ยอะไรกันนี่มีเหตุผลอะไรชัยยันตะโกนลั่นห้องแทบจะเผ่นรวดขึ้นยืนเอาเหตุผลทางด้านคุณอัมพลก่อนนะขอพูดตรงๆเลยหนึ่งวัยและประสบการณ์ไม่ถึงจะลำบากและไปตายซะเปล่า รวมทั้งเป็นภาระให้พวกเราด้วยสองถึงแม้ว่าคุณนำพลจะรักและเป็นห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าพวกเราทั้งหลายแต่ก็มีทางที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นที่ดีกว่าลำบากออกตาเป็นต้นว่าช่วยตรามเตรียมแผนการเพื่อความสะดวกในการเดินทางการให้ข่าวที่ถูกต้องเท่านั้นก็นับว่าทำประโยชน์ให้มากที่สุดละสามคุณนำพลจะต้องอยู่ เพื่อเป็นพยานบุคคลเพื่อจัดการผลประโยชน์อื่นๆให้กระพินและพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วตามพันธะที่ให้ไว้กระพินถ้าไปตายซะอีกคนหนึ่งแล้วใครที่จะจัดการดูแลในเรื่องนี้อ่ะสามข้อนี้คุณอำพลมีอะไรจะโต้แย้งไหมอำพลพลากร น, นั่งคอแข็งกออกตาพูดอะไรไม่ออก เพราะเหตุผลและความจริงที่เขาจะโต้เถียงขัดแย้งนั้นไม่ได้เลยเชยถาสีหน้าเครียดจริงจังภายในห้องเงียบไปชั่วขณะเขาไยักหน้าถามมาอีกว่าคุณมีอะไรจะโต้แย้งก็ลองว่ามาผมรับฟังเสมอถ้าเหตุผลที่คุณว่ามาดีกว่าผมผมก็ยอมให้คุณไปด้วยไม่ครับ ผมไม่มีเหตุผลอะไรจะมาโต้แย้งคุณชายได้แล้วและที่คุณชายพูดมามันก็จริงทุกอย่างแต่ผมก็อยากไปด้วยนะครับอ่ะตกลงคุณรู้ตัวเลยนะว่าคุณต้องถอนตัวไม่ใช่เพราะพวกเรารังเกียจแต่คุณมีหน้าที่จำเป็นที่จะต้องทำเกี่ยวกับพระพินแล้วก็ทำให้พวกเราด้วยครับผมเสียงนายอําพลแผ่วเบาที่สุดรู้สึกว่า เขาจะผิดหวังมากแต่ก็ต้องจำหนนเอาละคราวนี้ทางด้านแกชัยยันไม่ต้องทำหน้าเป็นโจโฉอย่างนั้นหรอกหัวหน้าคณะบุกเทือกพระศิวะในสมัยหนึ่งซึ่งจะกลับมาเป็นหัวหน้าคณะติดตามประพินทรวีวรรอีกครั้งหันไปชี้มือทางชัยยันซึ่งเบิกตาทำงึงถึงมองอยู่ก่อนละข้อที่หนึ่ง แกเพิ่งจะเป็นพ่อของเด็กที่เพิ่งเกิดได้เพียงวันเดียวจงอยู่เป็นพ่อมันต่อไปอย่าให้เด็กมันกำพร้าใช่ตั้งแต่ยังแบเบาเลยข้อที่สองเมียของแกก็ยังนอนอยู่บนเตียงเพราะคลอดลูกชีวิตครอบครัวกำลังอบอุ่นไม่มีความจำเป็นยังไงที่จะต้องพัดพรากจากกันไปช่ะข้อที่สามแกเป็นเพื่อนที่เปรียบเสมือนญาติสนิทของเรา การเดินทางของเราในคราวนี้เราจําเป็นต้องทําพินัยกรรมเหมือนกันเพราะไม่แน่ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าหน้าที่ของแกก็คือจะต้องเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของเราระหว่างที่เราไม่อยู่แล้วก็จัดการให้เป็นไปตามพินัยกรรมหากว่าเราไม่กลับกันมาอีกชัยยันสะบัดหัวโดยแรงขอต่อแยง้งอ่ะว่ามาแต่ต้องต่อแย้งด้วยเหตุด้วยผลนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้ก่อนที่ฉันจะแสดงเหตุผลโต้แย้งอ่ะแกก็มองเห็นชชกออกมาแล้วอ่ะวะ่าแจะไปกันตามลําพังสามคนพี่น้องเท่านั้นเองเหรอเชิดทายิ้มกล้านเกรียมแต่มั่นคงเด็กเดียวกางแขนอกโอบกอดอนุชาไว้ข้างหนึง่งดาลินอีกข้างหนึง่งใช่เฉพาะเราสามคนพี่น้องเท่านั้น พี่ชายสองน้องสาวหนึ่งอดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนน้ำมิดจุปากลันเกาหัวแกลกนี่นี่ น, น, นี่น้อยกลางเห็นด้วยเปล่าที่เชษฐ า, าพูดแบบนี้เห็นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วทั้งอนุชาและดารินกล่าวออกมาเป็นประโยคเดียวและพร้อมกันราวกันนัดกันไว้โว้ย ชั ย, ยันโวยวายลั่นห้องตามนิสัยหน้าแดงกำ่ำนี่ชั ย, ยันถ้าจะมีเหตุผลที่จะโต้แย้งกับพี่ใหญ่ได้ก็ว่ามาดิมอมราชวงศ์อนุชาบอกมาฉันก็แย้งเชื่อถาได้ทุกข้อเนีะ่ะล่ะวะข้อที่หนึ่งถึงฉันจะเพิ่งเป็นพ่อของเด็กที่เกิดเพียงวันเดียวและอาจไม่ได้กลับมาให้มันเห็นหน้าอีกไปช่างมันไปอไรมันปลอดภัยอยู่กับแม่มันแล้วนี่ โตขึ้นมันก็จะได้ภูมิใจว่าพ่อมันน่ะไม่ทิ้งเพื่อนและมีเลือดนักสู้ทุกหยดถึงพ่อมันจะตายไปก็ตายเพราะความตามไม่ช่วยเหลือเพื่อนผู้มีส่วนช่วยมันได้เกิดขึ้นมากลางป่านั่นแหละแม้แต่ชื่อของมันเองก็ยังเป็นชื่อจากสกุลของคนคนนั้นข้อที่สองเมียนอนอยู่กับเตียงก็จริงครกกำเนิดก็ออกจากเตียงได้นี่หว่าเมียน่ะทิ้งได้โว้ย พอถึงยังไงเ็าก็มีความสุขแล้วแต่เพื่อนแท้เพือ่อนตายที่กำลังบะกาลังลาบากท่ายังไม่ได้เพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะรพินคนเดียวนะเว้ยมันหมายถึงพวกแกสามคนด้วยเข้าใจข้อสามไอ้ใใที่แกบอกว่ายชั้นเป็นผู้ ด, ดูแลทรัพย์มรดก ข, ของแกในการที่พวกแกอาจจะไม่ได้กลับมาเห็นไม่เห็นน่ะมันจะจำเป็นี่ว่ะ ญาติพี่น้องทนายประจำตระกูลผู้ที่จะสืบทอดมรดกอมีกันอยู่ด้วยกันหลายคนจะแต่แตงแต่งตั้งใครก็ได้นี่วาทำไมถึงจะต้องเสือกมาเป็นชั้นด้วยอ่ะเนี่ยก็ข้โต้แย้งของฉันคุณอำพลเห็นด้วยไหมประโยคหลังชา ย, ยันหันไปหาเสียงนายอำพลบุตไวัยสูงยกมือขึ้นอย่างไม่ลังเล ผมเห็นด้วยกับคุณชายยันร้อยเปรเซ็นต์ครับแม้ว่าตัวผมเองจะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วแต่ผมว่าคุณชายยันไม่ควรจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในข้อนี้ด้วยนะครับเอา่ะมีเสียงสนับสนุนหนึ่งเสียงแล้วนี่เชษดถาว่าหันไปมองน้องชายกับน้องสาวเหมือนจะถามอนุชาถอนใจยาวและยกมือขึ้นมาอีกคนนะึงผมอีกคนนึงครับที่เห็นด้วย ชั ย, ยันควรมีสิทธิ์ที่จะได้ตามระพินครับอ่ะน้อยละ่ะดารินสันสีสันน้อยสงสารเมรกะไพยวันตัวกระเจอยร่อยที่น้อยทำคลอดด้วยมือเองนะคะชั ย, ยันควรจะต้องอยู่นะอ้าวแล้วกันสิเพื่อนชายอุทานสีหน้ายู่ยี่ไม่พอใจอย่างยิ่งเฉถายกมือขึ้นบ้างแต่สะท้วง เออฉันก็มีความเห็นเหมือนน้อยวะเชยันเพราะนั้นว่าเรื่องที่แกจะไปด้วยหรือไม่หาข้อยุติยังไม่ได้นะเพราะสองเสียงเสมอกันต่างกับคุณนำพลนะเขาสนับสนุนแกแต่ฉันกับน้อยนี่ปฏิเสธคัดค้านมันก็ต้องมีอีกสักคนนะที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินในเรื่องนี้และคนคนนั้นก็เป็นคนเดียวเท่านั้นแหละที่มีสิทธิจะตัดสินได้อย่างเต็มที่ คนคนนั้นเป็นใครแกรู้ไหมประโท่ฉันจะไปตัดสรุรได้ยังไงว่าใครจะตัดสินได้เรือคนคนนั้นมันสาคัญยังไงวะชายันพูดมาอย่างเกรียวกราดฟุดฟัดเต็มที่สาคัญดิสำคัญมากที่สุดเมียแกไงมาเรียอันันไตรปโร้โธเรื่องที่พงเอาให้รู้กันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฉันจะโทราศัพท์ไปบอกเมย์เดี๋ยวนี้แหละ ผู้ที่ถูกประท้วงพูดเร็วปรือกระโดดขึ้นยืนพุ่งปราดไปที่โทรศัพท์ดาริงก็ไวทันการเหมือนกันหลอนผุดตามวิ่งส ก, กัดและตะครุบข้อมือเพื่อนชายไว้ได้ก่อนที่จะทันยกหูยนะยอย่างนะยชัยันยังไม่ใช่เวลานี้นะจะบ้าไงปานี้เมยังนอนหลับอยู่กัลูกด้วยความอ่อนเพลียที่จะโทรไปรบกวนเขา อ, อย่างนั้นนะก็บอกแล้วไงว่าเรื่องคิดผง ชายันพูดเกือบจะเป็นเสียงตะวัดหน้าแดงจักเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเมก็สมควรจะต้องรับรู้แลวต้องรู้เดี๋ยวนี้แหละกล้แค่คอดลูกอ่อนเพียแค่นี้เองการที่เพื่อนตายคนหนึ่งหายหัวเข้าป่าไปโดยไม่รู้อนาคตเมยนะไม่ใช่คนเปรอนักนะรับรองเขาไม่ถึงก็หมด สติชอกอย่างเธอก็บอกว่ายังไม่โทราศัพท์ไปรบกวนเมย ต, ตอนนี้พูดไม่เชื่อไงด่าเินตาวาดบ้างเสียงหลอนดังกว่าชา ย, ยันซะอีกขวางหน้าไว้ผลัก อ, อกเพื่อนชายเผาออกไปตัวเองยืนบังโตโทราศัพท์ไว้ทันทีนั้นเองระหว่างที่เพื่อนหนุ่มสาวสนิทสนมกันมาแต่น้อยร่วมเป็นร่วมตายกันมาอย่างโชคชน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 พี่เธอเหรอเชิดถาและอนุชาลุกขึ้นยืนพร้อมกันยกเว้นนายอำพลสองพี่น้องราชสะกุลทรูกันเข้ามารุมล้อมโต้โทรศัพท์ทันทีชายันเองก็เบียดชิดดารินเข้ามาทำหน้าตื่นไม่เหรอเกิดอะไรขึ้นถึงได้โทรเรียกมากลางดึกอย่างเนี้ยพี่ชายใหญ่ถามขึ้นดารินรีบยกมือเป็นความหมายให้ทุกคนเงียบสงบ แล้ชี้ไปที่เครื่องพวกอีกเครื่องหนึง่งชัยยันก็โดดเข้าไปรับทันทีฟังพร้อมกันไปด้วยในขณะที่อนุชายืนอยู่ข้างดารินและเชษฐาไปยืนประกบชิดอยู่กับชัยยันทุกคนเต็มไปได้วยความชงนบนร้อนใจเพราะไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกามาเรียผู้ซึ่งเพิ่งจะคลอดบุตรเมื่อบ่ายนี้เองน้อยยังไม่นอนอีกเหรอ เสียงของอดีตแม่พรานสาวเลือดผสมเยอรมันฝรั่งเศสนักพจนภัยหญิงตัวฉกาศดังใสชัดแสดงว่าสุขภาพดีเยี่ยมแต่กังวานของหางเสียงนั้นดูจะตื่นเต้นรุกรนพิกลอยู่ดารินฝืนทำเสียงหัวเราะราเริงแจม่มใสแล้วถามมาว่าฉันยังไม่นอนหรอกและนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่เธอควรจะพักผ่อนนะเม ลูกมาวุ่นวายกับโทรศัพท์ทำไมเป็นไงมั่งล่ะน้อยเสียงของมาเรียตะกุกตะกักอ้ําอ้ําอึ้งองืเดี๋ยวนี้หลอนพูดไทยชนิดพอใช้ได้ทีเดียวนี่น้อยเธอย่าว่าอะไรฉันเลยนะขณะนี้ฉันก็นอนอยู่บนเตียงสำหรับลูกอ่ะมาตอนสามทุ่มพยาบาลอุ้มอุ้มเข้ามาให้ฉันมาให้กินนมฉันเป็นครั้งแรก แล้วเขาก็แยกเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเด็กอ่อนนลลี่แหละตอนนี้ฉันนอนอยู่คนเดียวแล้วก็หลับสนิท ด, ดีเชะีะแต่มันยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกทําไมเมเป็นยังไงบอกมาสิดารินถามรัวเร็วปรือฉันฝันแปลกนน้อยรู้สึกว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีเพื่อสะดุ้งตื่นมาเดี๋ยวนี้เองฉันตัดสินใจเรียกช ย, ยันไปที่บ้าน ทางบ้าน ก, ก็บอกว่าชา ย, ยันไปคุยกับพี่ใหญ่และพี่กลางที่บ้านเธอก็เลยลองเสียงเรียกมานั้นแหละก็พอดีเธอเป็นคนรับสายชา ย, ยันอยู่ปะผมอยู่นี่ที่รักเรากําลังคุยกันอยู่อ่ะแล้วก็อยู่กันครบพร้อมหน้าทีเดียวมีไรเหรอประเดี๋ยวกลับจากที่นี่ผมจะแวะไปหาคุณนะชา ย, ยันพูดแทรกขึ้นทันทีและกําลังจะพูดอะไรมากไปกว่านั้นแต่เชษ ฐ, ฐาส ก, กิจห้ามไว้ซะก่อน ชยันฉันรักคุณค่ะแล้วก็ดีใจที่ขณะนี้คุณอยู่ในกลุ่มของพวกเราไม่ได้ตีไปที่ไหนทอไปที่บ้านไม่พบตัวครั้งแรกกระตกใจรู้ไหมเสียงของมาเรียบอกสามีมากลางวันใสมันเสียงไฮไฟเช่นเดิมแต่มีกระแสเหนื่อยๆ ห, หอบๆเล็ดระหนกเรนลับทำตัวให้สบายย่ารัก ถ้าทางคุณจะตื่นรหนกอะไรบางอย่างนะคุยกันน้อยก่อนนะตอนนี้ผมถือหูอยู่อีกเครื่องนึงจะฟังอยู่ด้วยว่าแล้วช ย, ยันก็พยักหน้ากระดารินเป็นความหมายให้พูดเมเธอฝันอะไรล่ะถึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วตกอกตกใจโทรศัพท์เรียกหาชั ย, ยันบุ้นไปหมดอย่างเงี้ยน้อยฉัน ฝันเห็นแงซทรายอ่ะเห็นชัดที่สุดเลยไม่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงเตียงอ่ะฝันเห็นแงซทรายเหรอดารินอุทานลั่นห้องใช่แงซทรายแน่ๆเลยไม่ใช่จักรราชนะภาพตามฝันที่เห็นน่ะเป็นภาพของแงซทรายในชุดผานกระเหลียงสมัยที่ยังเป็นลูกหาบของเราอ่ะแล้วไงเม่ เล้าไปละเอียดสิราชสกุลสาวถามเร็วปรือหน้าตาตื่นไปหมดน้อยมันเป็นภาพฝันนะแต่มหาสจั์ที่สุดอะ่ะฉันนี่ที่เกิดมาฉันไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอะ่ะเพราะมันชัดเจนสดใสเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายจากจอฉันจำภาพและคำพูดของเขาได้ทุกคาเชยในฝันอะ่ะฉันยังนอนอยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างนะ แล้วบนเตียงตัวนี้แหละอยู่ๆประตูห้องก็เปิดออกมาแบบไม่มีเสียงฉันเหลือไปครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นหมอหรือพยาบาลเข้ามาตรวจเยี่ยมอาการก็ปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ร่างงามคนหนึ่งในชุดเสื้อกางเกงสีดำแบบพวกกระเรียงพวกผ้าแดงที่หัวสภายไรเฟิลคานเหวี่ยงเห็นวบเดียฉันก็จาได้ร้องทักออกไปว่าแง้ท า, าย แล้วฉันก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ตอนนั้นร่างกายมันหนักอึ้งไปหมดอะไม่อาจขยับขยื่นได้สีหน้าของแงซายนะ่ะวางเฉยที่สุดเลยน้อยเขาเดินช้าๆเข้ามาหยุดหยุดที่ปลายตีนเตียงของฉันเนี่ยตรงนี้เองแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มลึกว่าในแหม่มครับขณะนี้ผู้กองระพินกำลังทุกข์ยาก และมีอันตรายอยู่กลางป่าลึกครับเนี่ยเขาพูดสั้นๆแค่นี้ยน้อยแล้วเ็าก็ถอยหลังเปิดประตูห้องรับหายออกไปก่อนที่ฉันจะทันพูดร้องเรียกเ็าทันอะฉันรู้แต่ว่าฉันได้ดิน้นรนกระสับกระสายอยู่พักใหญ่เช่ะก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาได้ในห้องฉันก็เป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีวิแววของอะไรทั้งสิ้น ฉันกดกลิ่งเรียกพยาบาลเข้ามาสอบถามว่ามีใครเข้ามาในห้องฉันมั่งเมื่อตะเกียพยาบาลก็ยืนยันว่าห้องทำงานของพวกเขาน่อยู่ตรงประตูห้องของฉันใครจะเข้าจะออกเขาก็ต้องเห็นแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องของฉันฉันก็เลยรู้ว่าฉันก็แค่ฝันไปแต่น้อยฝันแบบนี้มันไม่ดีเลยอ่ะฉันนอนไม่หลับ เลยต้องโทรศัพท์ไปหายชจยันแล้วก็เลยต้องเสียงโทรมาที่นี่อย่าตอนนี้ฉันเหงือแตกไปหมดแล้วนะเนี่ยแม้ว่าแอร์ห้องนี้มันจะเย็นจัดก็ตามเสียงมาเรียพูดบอกความมาอย่างกระหืนกระหองดารินวราฤทธิ์ปรลึงหน้าที่ขาวเผือดอยู่แล้วบัดนี้ปราศจากโลหิตริมฝีปากมุบมิรรมบพึมพำออกมาว่า พระพุทธคุณช่วยแล้วก็นิ่งจังงังชัยนั้นได้ยินเสียงเมียพูดเล่าอยู่ตลอดเวลาเขาอาปากค้างหน้าเลือกลักเช่นกันน้อยเธอได้ยินฉเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงได้เงียบหายไปเสียงมารีร้องถามซ้ำๆมาอีก เพราะทางด้านฝ่ายนี้ไม่มีใครพูดเลยดารินนั้นไม่พูดอะไรอีกแล้วพยักหน้าให้ชัยยันทําหน้าที่พูดกับพันยาของตัวเองส่วนตัวเองวางหูลงสุดกายลงอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงบนเก้าอี้มือทั้งสองลูบอยู่ที่ใบหน้าอนุชาผู้ยืนอยู่ใกล้น้องสาวเขย่าวไหลถามว่ามาเรียพูดอะไรหลอนสันสีสัชะช้า จึงไม่ต้องการบอกอะไรทั้งสิ้นแล้วชี้บุ้ยชี้บ่ายให้ไปรับฟังจากโทรศัพท์ที่หล่อนวางไปแล้วขึ้นสอบซักกันเอกอนุชาก็คว้าหูขึ้นมาบัตรนี้ดารินทำอะไรไม่ถูกสมองมึนตื้อไปหมดรู้สึกแต่เพียงว่าภายในห้องนั้นสามีพัญญากำลังพูดกันทางโทรศัพท์มีพี่ชายทั้งสองของหล่อนเข้าร่วมด้วย นายอภได้แต่นั่งอ้าปากฟังโดยไม่รู้เรื่องอะไรแจ่มชัดนักมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีตัวหล่อนเองนั่งซึมเฉยมันอะไรกันนี่แม่สายเข้ามาบอกหล่อนก่อนแล้วไปเข้าฝันของมาเรียซึ่งยังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลข้อความตรงกันทุกอย่างนั่นคือกระพินไพรวัน กำลังตกรรรมลำบากทุกยากแสนสาหัสอยู่กลางไพร ล, ลึกแล้วกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายแล้วเหตุการณ์ข้อเท็จจริงมันก็บ่งชี้อยู่แล้วโดยการสารภาพเล่าความจริงทั้งหมดจากปากคาของนายอําพลในข้อที่ว่าขณะนี้สุภาพบุรุษไทรคนนี้มีภารกิจ ด, ด่วนฉุกเฉินที่จะต้องออกเดินป่าไปอย่างไม่ทราบอนาคตแน่นอน เวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ที่ดารินนั่งมือเหมือนคนไร้สติเช่นนั้นสำหรับนายอัมพลนั้นจากการนั่งสังเกตจับฟังอยู่ก็พอจะทราบว่าทางด้านฝ่ายนี้ได้เล่าความจริงอะไรให้มาเรียอันนันทไรทราบเป็นเล่าๆบ้างแล้วชยันนั่นเป็นคำพูดของอดีตพรานสาวรูปงามผู้ยิ่งใหญ่ เธอบอกพี่ใหญ่พี่กลางน้อยแล้วก็คุณอำพลนะว่าขอเชิญทุกคนมาที่ห้องของฉันเดี๋ยวนี้เพื่อขอฟังรายละเอียดกันให้พร้อมหน้าทั้งหมดกรุณาท่นะขอใครอย่าได้ปฏิเสธไปนั้นค่ะฉันไม่รับฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นถ้าคนใดคนหนึ่งที่ประชุมกันอยู่ในบ้านขณะ น, นี้ไม่ย้ายที่ประชุมไม่ฉันได้รู้เรื่องด้วยแล้วก็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 คำพูดของมารียไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการอ้อนวอนขอร้องถ้าหากใครคัดค้านหรือปฏิเสธอันหมายความว่าให้หล่อนสงบจิตนอนพักอยู่บนเตียงตำลำพังทั้งๆ ท, ที่พอจะรักแค่ระคายอะไรบ้างแล้วเช่นนี้แต่เดี๋ยวแม่ก็ทอร่างมาจริงๆเท่านั้นจิงตกเป็นหน้าที่อของสามีคือชายัยดที่จะต้องยกมือกราบไหว้เชิฐาและอนุชาเพื่อเห็นแก่เมีย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 นอนพักฟื้นอยู่ในห้องว i p ทั้งชุดที่กำลังประชุมเครียดกันอยู่รวมทั้งนายอําพลและเอกสารทั้งหมดก็เคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในห้องของมาเรียแพทย์และพยาบาลเวรกลางดึกอาจจะแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่มีใครขัดขวางหรือห้ามปรามอย่างใดทั้งสิน้นจากเหตุผลสองกรณีคือผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็นเพื่อนของราชสกุลวราริศและอีกข้อนึง ดารินเองก็เป็นแพทย์ผู้ทำคลอดรายนี้ด้วยมือตัวเองอยู่แล้วอีกประการหนึ่งห้องทักของโรงพยาบาลห้องนั้นก็เป็นห้องชุดขนาดใหญ่กว้างขวางราวกับห้องชุดของโฮเทลชั้นหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นห้องของคนป่วยบนเตียงมาเรียนนอนอยู่ในอาการสงบแต่ได้รับทราบเรื่องราวโดยละเอียดทั้งหมดภายในเวลาไม่นานนัก เดี๋ยวนี้หล่อนรู้อะไรได้เท่าๆกับที่ทุกคนรู้ดารินพูดน้อยที่สุดดวงตาของหล่อนแห้งผากมาเรียพยักหน้าให้ดารินขึ้นมานั่งบนเตียงของหล่อนแล้วจับมือเพื่อนสาวไว้แน่นขณะที่หล่อนซักไซต์โต้ตอบกับคนเหล่านั้นจนรู้ความจริงตลอดหล่อนพยักหน้าเรียกสามีให้เข้าไปใกล้ช ย, ยันเดินเข้าไปหาอีกด้านหนึ่ง แม่สาวเลือดผสมผู้มีอดีตอันร้อนแรงแต่บัดนี้อารมณ์ทางด้านนั้นผันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อได้สามีเป็นตัวเป็นตนหล่อนยิ้มให้กับสามีคิสมีหล่อนบอกชยันก้มลงจูบเบาๆที่แก้มมือหนึ่งของหล่อนยังกำฝ่ามือดารินอีกมือหนึ่งโอบกอดคอสามีไว้ หยุดตอกแล้วรูปที่สีสัะเขาขยิบตาให้นิดหนึ่งรู้ไหมที่รักทำไมฉันถึงรักเธอและยอมเป็นแม่ของลูกเธอผมไม่ทราบเพราะเธอเป็นลูกผู้ชายแท้จริงเป็นนักสู้เลือดข้นเป็นผู้มีความรับผิดชอบ แล้วเหนือกว่าอะไรทั้งสิมเธอมีความจริงใจต่อมิตรจับว่าเป็นบุรุษชาติอาชานายัยเป็นเพื่อนแท้ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้ฉันนะไม่เพียงแต่รักเธอเท่านั้นนะชยันยังเคารพนับถือบูชานั้นใจเธอด้วยชยันนี่มองหน้าเมียอย่างแสนรักเมื่อครั้งไปตามคนสาบสูญ ที่ชื่อนายชดประชากรหรือพี่กลางที่นั่งอยู่นั่นเธอก็ไปตามกับเขาด้วยใช่ไหมใช่แล้วครั้งนี้ล่ะเธอตัดสินใจยังไงเชษถาอนุชาเลนน้อยจะต้องช่วยกันฆ่าผมซะก่อนเมื่อ น, นั้นแหละพวกเขาถึงจะหยุดผมไม่เดินทางไปตามหารพินในครั้งนี้ได้ มารีบีบไหลสามีแน่นแล้วน้าคอลงไปจูบอีกครั้งยิ้มอย่างสมัยที่เคยเห็นหล่อนยิ้มตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะเพราะฉันก็อ่านใจเธอออกมานานแล้วด้วยก่อนที่ทุกคนจะมาถึงห้องฉันซะอีกกต่จบหล่อนก็หันไปมองทางเชษฐาอนุชาและนายอภิน พี่ใหญ่ก็น้อยแพ้คะแนนเสียงแล้วล่ะคะ่ะเพราะมีกันแค่สองเสียงเท่านั้นที่คัดค้านห้ามปรามชายยันไว้ส่วนพี่กลางคุณอัมพลแล้วก็ฉันเองผู้เป็นพัญยาของเขารวมแล้วสามเสียงนะคะที่จะอนุญาตให้เขาไปชายยันดีใจแทบกระโดดดารินผู้เงียบอยู่ตลอดเวลาครางออกมาว่าแต่ไม่มีคำว่าแต่ แล้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะน้อยมาเรียพูดอย่างเฉียบขาดหัวเราะเบาๆออกมาอย่างนักเลงขณะที่ตบหลังมือดารินหนักหน่วงชายันไปครั้งนี้นะไม่ได้ไปพระตัวเขาเองเท่านั้นนะแต่ไปแทนในนามของอดีตมาเรียฮอคแมนด้วยเสียดายนะที่ฉันต้องมานอนคลอดลูกอยู่อย่างเงี้ยถ้าตัวเปล่า เราจะร่วมทีมงานกันครบหน้าทีเดียวแล้วฉันขอให้คำรับประกันว่าระหว่างที่สามีและเพื่อนตายทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้ฉันจะเลี้ยงลูกของชา ย, ยันให้ดีที่สุดจะสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกขณะจิตขออย่าให้ห่วงหลังเลยสัจจะของฉันก็คือถ้าช ย, ยันไม่กลับมาอีก ฉันจะดำรงชีวิตอยู่กับลูกเช่นนี้ไปจนตายโดยจะไม่แต่งงานใหม่อีกเลยเสียงของมาเรียดังตังวานใสไปทั้งห้องอันเงียบกริบนั้นทุกคนมีความรู้สึกปื้นตันขึ้นมาจนถึงคอหอยมาเรียหันมาทางดารินน้อยเอาระพินกลับมาให้ได้นะต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวสักแค่ไหน ขอให้ต้องตามจะหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้แล้วขอให้ทำใจดีๆเอาไว้นะยังไม่สิ้นหวังหรอกอีกอย่างหนึง่งก็ไม่ต้องไปมัวกังวลวันไหวอยู่กับผู้หญิงอเมริกันสองคนนั่นฉันเห็นรูปที่ชาั ย, ยัานเอาไม้ดูแล้วละ่ะสวยมากทั้งสองคนก็จริงแต่ไม่มีความหมายหรอกสำหรับคนที่ชื่อระพินไพรวันฉันรู้จักเขาดีอาจจะดีกว่าเธอซะอีก เพราะฉันรู้จักเขามาก่อนที่เธอจะพบเขาผู้ชายคนนี้นเป็นยอดคนจริงๆในด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้หญิงที่เขารักและตลอดชีวิตนี้ของเขาเขาจะไม่รักใครอีกแล้วจําไว้เขาจะรักคนเดียวเท่านั้นคือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวรรฤทธิ์เชื่อฉันแล้วสบายใจได้น้อย ดารินแทพจะร้องไห้โหกมาด้วยความรู้สึกที่กล่าวไม่ถูกตลอดไม่มีน้ำตายแล้วได้แต่กัดติมฝีปากแน่นมือที่บีบประสานมือมาเรียสั่นริกๆกอ่ะถ้างั้นเราก็เริ่มต้นวางแผนงานได้แล้วคุณชายเชษฐาเอ่ยขึ้นห่าห่าๆกระดิกนิ้วเรียกชา ย, ยันกระดารินชา ย, ยันน้อยมานี่ส่วนเมย์ก็นั่งตรงนั้นแหละ เธอจะได้ยินหมดว่าเราจะหารือวางแผนกันยังไงดีเหมือนกันที่ย้ายมาประชุมกันซะที่นี่เมก็จะได้รับรู้ไว้ซะด้วยชยันกระดารินผละจากเตียงของมารียเข้าไปสมทบอะคุณอัมพลคุณพอจะรู้ไหมว่าเราพินบ่ายหน้าไปทางไหนพอจะมีแผนที่ที่พวกนั้นใช้ในการเดินทางหรือเปล่า พี่ชายใหญ่ของราชสกุลวราริ์ถามผมทราบครับว่ามีแผนที่ยุทธศาสตร์ทางอากาศแต่ก็ไม่มีโอกาสจะเห็นหรือคัดลอกได้จะยังไงก็ตามนะครับผมแอบกระซิบถามคุณรพินไว้ในวันที่แกจะเริ่มออกเดินทางว่าเป้าหมายแรกน่าจะมุ่งไปจุดใดแกก็อาจจะคิดไปไม่ถึงว่าผมหลอกถามทิศทางไว้เป้าหมายแรกนี่คือห้วยสือร้องครับ ถ้างั้นก็แปลว่าต่อไปต้องบุกฐานเข้าดงดำแน่นอนละครับพี่ใหญ่เพราะถ้าจาก้วยเสือร้องก็ต้องไปตำแหน่งสุดท้ายที่มนุษย์ธรรมดาจะบุกบั่นไปได้ถึงแบบเดียวก็ลมช้างเหมือนกันแต่มันอยู่กันคนละด้านครับอนุชาวราริตรืออดิชดประชากรนักพเนจรกลางดงซึ่งชำนาญป่าดงดิบในละแวกนั้นดีมาก่อนแล้วเอ่ยขึ้น ดุงดำคือดุงมรณะของดินแดนหลงสำรวจที่เราเคยผ่านกันมาแล้วนะเชษถาว่ารีตาลงถึงแม้จะเร่งด่วนกันสักขนาดไหนกว่าไฟทางไยเราจะเตรียมตัวเสร็จและเริ่มต้นออกเดินทางก็แปลว่าคณะของระพินนี่ล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วไม่น้อยกว่าสิบวันตปเชื่อว่าไม่เหลือบา ก, ก่าแรงนักรอกนะเชถา ชา ย, ยันพูดอย่างมั่นใจพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเดินป่ากันในครั้งนั้นใช่ จ, จนเข้าขั้นทรานใหญ่กันแล้วทุกคนอยู่ถึงจะไม่ใหญ่เท่าระพินก็ตามคนขนาดฐานเทือกพระศิวะและมีชีวิตรอดกลับมาได้ประสา ป, ปาริญญาขั้นดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในการเดินป่าให้ได้ทุกคนน่แหล้ ว, วะโดยเฉพาะนายคนนี้ อดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้ไปยังคุณชายอนุชาเขาบุกป่าฝ่าดงมาสิจนถ้าไม่ถึงขั้นรบพินหรืองแงซาย <c oughs> ก็ฉีดเฉียดก็ไปละพรานใหญ่ที่จะนำทางเราไม่ต้องไปกังวลหาที่ไหนอ่ะในชดประชากรนั่งอยู่นี่แหละ ว, ว่ายังไงพรารชดไหวไหมอดีตชดประชากรผู้เป็นต้นเหตุให้ทั้งคณะต้องบุกเทอประสิวะมาแล้ว ยิ้มแข่นแข้งไอ้ตามปกติก็ไม่ไววหรอกเข็ดแล้วแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องไหวพี่ใหญ่ก็ดีน้อยก็ดีหรือตัวแกเองก็ดีล้วนคล่องตัวแล้วทั้งนั้นในเรื่องการบุก ป, ป่าฝ่าดงไม่มีอะไรน่าหนักใจเลยความหวังของเราก็คือระพินไม่ได้ตะลืดเปิดเปิงไปคนเดียวแต่ต้องนำคณะอเมริกันพวกนั้นพร้อมทั้งลูกหาไปด้วย ซึ่งจะต้องล่าช้าเสียเวลากันบ้างล่ะเราก็น่าจะตามทันและแกะรอยไปได้ทุกระยะยิ่งถ้ารู้ว่าใบาหน้าไปทางไหนเป็นจุดแรกก็ยิ่งสะดวกขึ้นผมหลับตาเห็นภูมิประเทศแทบตลอดตั้งตะนหนองน้ำแห้งจนถึงห้วยเสือร้องเพราะเคยตุระตุเรไปจนปลุกก็อาจจะต้องงมกันหน่อยเมื่อเข้าเขต ด, ดงดาแล้วแต่ถึงยังไงพวกนั้นก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้แกะได้ละ อดีตท่านทูตทหารบกมองจับนิ่งมายังน้องชายคนกลางอย่างพินิษแล้วเปลี่ยนไปยังทุกใบหน้าของผู้ที่ร่วมวงกันอยู่ในขณะนี้กล่าวขึ้นอย่างรวมๆหวังว่าพวกเราทุกคนคงรับรู้กันแล้วนะว่าการออกเดินทางติดตามแกะรอยระพินในครั้งนี้เราไม่มีแผนหรือมักคกุเทศนำทางอีกแล้วเราจะต้องเสี่ยงงมกันไปเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถของเราเองที่เคยผ่านมาก่อนเป็นสิ่งนำทางและในบรรดาพวกเราทั้งสี่คนที่นั่งประชุมกันอยู่นี่ก็ถือว่ากลางเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงสุดอนุชาวราริศหรืออดีตนายชดประชากรถอนใจลึกถ้าทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจผมผมก็ขอรับหน้าที่เป็นมักคุเทศในครั้งนี้ แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนักครับเพราะพี่ใหญ่เองก็ดีชายันก็ดีหรือน้อยก็ดีเลื่แล้วแต่เป็นนักเดินป่าเยี่ยมยอดมาแล้วทั้งสิ้นเราจะร่วมปรึกษาหารือกันไปทุกระยะไม่ใช่ว่าผมจะต้องเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเพียงคนเดียวเป็นนั้นว่าแกยอมรับเป็นพรา น, นําทางนะชายันย้ํามาแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิดตา ก็เป็นหัวหน้าตามเดิมอดีตนตายทหารปืนใหญ่ชี้มือมาที่คุณชายใหญ่ผมเห็นด้วยครับแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมทางไปด้วยในครั้งนี้นายอภิพลก็แสดงความเห็นของตนเองสนับสนุนออกมาอย่างหนักแน่นไม่ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเอาแต่นั่งซึมทำไมไม่ช่วยกันออกความคิดมั่งอะ พี่ชายใหญ่ของตระกูลเอื้อมมือมาตบที่เข่าน้องสาวเล็กเมื่อนั้นหล่อนยังมีอาการเหมือนเพิ่งตื่นจากภวังคิดคุณอำพลครับผมคุณหญิงนับตั้งแต่เราจากกันครั้งสุดท้ายที่สถานีกักสัตว์ของคุณภายหลังจากไปตามพี่กลางกลับมาได้แล้วคุณได้พบเห็นหนานอินมั้งไหมได้ข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้แกไปอยู่ที่ไหน พอจะตามตัวได้ไหมคำพูดของหมอมราชวงศ์สาวคนสวยทำให้ทุกคนสะดุดคิดและสนใจยิ่งนายพลเองก็ดูเหมือนจะเพิ่งคิดขึ้นมาได้กระดกลิ้นออกมาแตะริมฝีปากเออจริงสิครับผมเองก็ลืมหนานอินไปซะอย่างสนิทนอกจากคุณระพินแล้วก็แงาสายแล้วทานใหญ่ผู้ยิงยงอีกคนหนึ่ง ที่จะนำทางไปครั้งนี้ได้ก็ามีอยู่อีกเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละคืนหนานอินแต่นับตั้งแต่พวกของคุณหญิงเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนี่หนานอินก็บุก ป, ป่าฝ่าดงไปตามภาษาของแกนะครับผมได้ข่าวว่าแกเคยผ่านมาแวะเยี่ยมคุณรพินที่หนองน้ําแห้งครั้งหนึ่งเมื่อสักสองสาเดือนมาแล้วแล้วก็พักอยู่ที่นั่นสองคืนหลังจากนั้นแกก็หายเข้าป่าไปอีก ไม่ปรากฏข่าวอีกเลยแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ขุนเขาลำาเนาไพรแห่งไหนดิแปลว่าไม่มีทางจะตามตัวได้พบใช่ไหมดารินพูดอย่างสิ้นหวังมันก็คงยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะตามกันให้ได้ในเร็ววันนะ่ะยกเว้นแต่จะรอฟังข่าวว่าแกจะเฉียดผ่านมาอีกเมื่อไหร่ซึ่งก็เอาแน่ไม่ได้รครับ ตามหาหนันอินน่ะมันตามตัวได้ยากกว่าตามผีตองเหลืองสิแล้วก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่อาจจะตามแกได้พบคือคุณรพินน่ะเพราะเขารู้นิสยัยรู้ทิศทางกันดีอยู่แต่ตอนนี้เราก็กําลังหาตัวคุณรพินอยู่นี่ราชสะกุลสาวรี่ตาลงนิ่งไปอีกเขษฐาก็บอกว่านี่ถ้าเราได้ตัวหนันอินมาร่วมด้วยในครั้งนี้อะนะ มันก็วิเศษสุดล่ะแต่น้อยก็อย่าไปหวังอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปตามตัวแก่ได้ที่ไหนอย่างปัจจุบันทันด่วนแบบนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องว่ากันเองลูกศิษย์ที่ถ่ายทอดสารพัดวิชาในการเดินป่าแล้วก็บุกบันคู่ขี่ไปกระ น, นานอินจนเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งซะด้วยกันก็นั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยพี่ชายใหญ่บุยปากไปทางน้องชายกลาง นันอิมกับนายชดก็เหมือนเหมือนกระรพินกะแงซ้ายนั่นแหละมีคนใดคนหนึ่งในระหว่างคนสองคู่นี่มันก็ย่อมจะแทนตัวกันได้ล่ะใช่ไหมประโยคหลังเขาหันไปถามมนุชาความจริงผมไม่คิดว่าผมจะยิ่งใหญ่เท่านั้นอินนะครับยิ่งลพินกะแงซ้ายนี่แต่ถ้าไม่มีทางเลือกผมก็ต้องรับเป็นพรานําทางเอง สำหรับนันอินน่ะถ้าบาังเอิญได้ตัวมาผมก็จะปลอดปลงใจกว่านี้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วละ่ะเราไม่ควรจะลืมใครซีกคนหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะจะให้ไปตามันก็คงจะเสียเวลาไม่ทันการจะเดินผ่านไปรับละ่ะมันก็คนละเส้นทางกันซะด้วยดิชัยยันเอ่ยขึ้น และพัญญาของเขาที่นอนฟังอยู่บนเตยียงก็ร้องออกมาว่าอ๋อขยินเจ้านักเลงโตจากหลมช้างใช่ไหมภาพของขยินผุดขึ้นในสมองของทุกคนทันทีไม่มีทางอะ่ะคืนวัวไปตามขยินซึ่งถึงแม้เราจะรู้แน่นอนว่ามันอยู่หลมช้างเราก็จะยิ่งเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปทุกทีระยะทางจากหน้องน้ําแห้งไปหลมช้างน่ะ มันไกลยิ่กว่าไปห้วยเสือร้องซะอีกนะและ้วขืนปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปร่องรอยของระพินกับพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนก็จะยิ่งค้นหาลำบากขึ้นเอาเป็นว่าเราตัดปัญหาเรื่องนานอินกัตยินออกไปซะเถอะให้มันรู้ไปว่าลำพังพวกเราสี่คนนี่ไม่สามารถจะตามระพินได้อนุชาว่าฉันก็เห็นด้วยกับกลางนะ การที่เราจะไปมัวค้นหาตัวหนานอินกับขครหินจะเสียเวลาจริงอยู่สองคนนะ่ะเราต้องการตัวที่สุดในภาวะอย่างนี้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรอช้าได้เลยการไปตามตัวกลางในครั้งนั้นน่ะเราออกทางหลุมช้างเพราะกลางก็ออกล่วงหน้าไปทางด้านนั้นแต่การไปตามตัวระพินคราวนี้น่ะเราต้องออกทางด้านห้วยเสือร้องตามเส้นทางเดิมของเขา ฉันเชื่อความสามารถของกลางว่าจะสาวรอยติดตามไปได้เรื่อยๆแต่ไม่เชื่อว่าจะใช้วิธีดักหน้าหรือก้าวสกัดได้ถ้ารัพินเป็นฝ่ายตามเรานะ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะรพินนะ่ะเขาชำนาญกว่าเรามากนะในเรื่องนี้ไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นแตกแยกออกไปจากคำพูดของหม่อมราชวงเชษฐาอะถ้าทุกคนเห็นด้วย ตามที่ฉันว่ามา น, นี่เราก็เอากันอย่างงี้อดีตท่านทูตทหารบกสรุปโดยเร็วเอาไว้ว่าทางด้านเราสี่คนนี่จะใช้เวลาพรุ่งนี้ทั้งวันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอย่างช้าในวันมะรืนจะถึงสถานีกักศัพว์ของคุณนําพลส่วนตัวคุณนําพน์ต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะขอความร่วมมือจากคุณละ่ะครับผมคุณชายใหญ่ผมพร้อมครับ